อา อ, อ ไ, าา ไ, ไ, อไวันนี้มีเคสต์ดีเมื่อวานเคสต์ ด, ดีก็ฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกชีวิตรันทดจังเลยเนี่ยครับแต่ว่ามนุษย์ทุกคนนี่นะจ๊ะมีสิทธิ์ที่จะ ทำความดีจกนกระทั่งบรรลุจุดสูงสุดคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรลุในเส้นทางทำได้นะขอให้มีหัวมีแขนมีตัวมีอาการ32เนื่ยไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรเนะี่ยทุกคนมีเชื้อแห่งความดีซึ่งเมื่อได้ประพฤติปฏิบัตทิทำหรือได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีแล้วสามารถทำความดีได้ดีทีเดียวอามาฟังรายการ ตรงนี้ต่อเลยลูกเป็นผู้นําบุญภาคนะครับหลวงเจ็ดบ้านอยู่เชียงรายแต่มีครอบครัวที่กรุงเทพเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันค่ะโดยเข้าเรียนที่วัดวันนี้ก็มาสิ่งเงินกราบขอบารมีพระเทพคุณหลวงพ่อฝันในฝันคุณพ่อและคุณแม่ลูกเป็นลูกสาวคนที่สามในบรรดาพี่น้องเจ็ดคนพี่น้องอยู่เชียงรายส่วนหนึ่งน้องชายและน้องสะพ้ายทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่ง ชีวิตครอบครัวในวัยเด็กทุกคนลำบากมากเป็นลูกชาวนาที่ยากจนต้องออกทุ่งนาและเลี้ยงสัตว์เป็นประจำหาปลาหาปูเก็บผักมาเลี้ยงนง้นองเมื่อคุณพ่อคุณแม่ออกไปทานาตอนลูกอายุสบขวบไม่มีข้าวจะกินไม่มีอะไรจะเลี้ยงน้องจึงตัดสินใจไปขอข้าวจากวัดข้างบ้านซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่แม่ครัวของวัดทิ้งใส่ตะกร้าไว้จนขึ้นลาขายให้ลูกในราคาหนึ่งบาท ลักษณะจะเป็นสีแดงแดงสีดำดำเกาะเต็มข้าวแต่ก้าที่เขาเรียกว่าขยะแล้วได้นํามาล้างน้ําให้สะอาดไม่มีราติดมากนักจากนั้นก็นำข้าวไปนึ่งและอุ่นอีกครั้งจึงนำมาให้น้องรับประทานกันได้ทุกคนนี่เห็นไหมไอ้ความยากจนมาจากความสถานีจากการไม่ให้ทานไม่ให้ก็ไม่ได้เมื่อลูกมีครอบครัวสามีมีอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างชอบเล่นการพ น, นันชอบที่วกลางคืนนิสัยผงผาโมโห ง, ง่ายไม่ชอบวัด ไม่ชอบวัดไม่เป็นไรนะลูกนะแต่ขอให้ชอบพระในวัดกันแล้วกันครับพอบอราบ่าวบุญก็ทำแบบกันไว้ก่อนแต่ก็ไม่ยอมมาวัดมีลูกชายด้วยกันสองคนไม่เคยแสดงาการรักลูกชายทั้งสองแต่ส่งให้เรียนหนังสือโรงเรียนดีๆตอนแรกดีอ ต, อ, ดตอมาทุกมากสามีที่เราตั้งใจฝากชีวิตไว้มีผู้หญิงอื่นแต่ก็อดทนเรื่อยมา ทำให้ลูกแสวงหาการทำบุญเสมอจนมาเจอวัดพระธรรมกายเจอหลวงพ่อจึงได้รับความสุขทางใจคุณพ่อของลูกเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนชอ บ, บ, บดื่มสุราตั้งแต่เล็กไม่เว้นวันและชอบต้มเหล้าเถื่อนขายโ อ, โอ้เป็นผู้ผลิตด้วยนะทั้งดื่มทั้งผิดเวลาคุณพ่อต้มเหล้าเถื่อนท่านจะชอบให้ลูกชิมบรรสชาติดีแล้วหรือ ย, อยังแต่ลูกคนอื่นๆไม่มีใครทำ พ่อเป็นคนใจร้อนโมโหง่ายลูกๆเข้าหน้าไม่ติดเอ้าไม่เป็นไรเข้าข้างหลังพอและแม่จะจับสัตว์ทุกชนิดมาฆ่าเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงลูกๆพวกเราก็ห้ามว่าเรากินอย่างอื่นได้แม่บอกว่ามันเป็นของคู่โลกที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนโอ้เ <โ S 1> นี่ยมนุษย์เลยมาคิดเองนั่นแหละเมื่อเราพูดมากๆท่านก็จะโมโหทําให้ทุกคนไม่กล้าพูดอีกและแอบว่าไปปล่อยเสมอเวลาแม่เพลับ S <S <S ลูกเด็กทำหน้าที่อะไรมีกับคุณพ่อให้เลิกดื่มเหล้าและเลิกต้มเหล้าได้โดยเด็กขาดเมื่อท่านอายุได้ห้สาออสิบห้าปีเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องไปทําหน้าที่ตรงนี้นะจ๊ะต้องพยายามไปเรื่อยๆเลยอย่าไปกลัวท่านโกรธท่านโกรธแล้วก็เฉยๆถ้าเราก็ไปโกรธท่านพูดไปเรื่อยๆเลยครับจะต้องมีสักวันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละพ่อได้มาว่าธรรมการเมื่อปี42ทําบุญทุกบุญกับทางวัดเสมอมาไม่เคยขาด สร้างพระบวดพระกะถินบ่าป่าได้เป็นประธานรองฉลองมาหาธัมมการเจดีครั้งแรกช่วงหลังคุณพ่อยุ่มากขึ้นทำให้โรคความดันสูงปลอดชื้นทาให้ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยและเมื่อวันที่1 5สิงหา2544เวลาตีหนึ่งไปปลุกคุณแม่ต้องฟังให้ดีนะให้ไปรับเงิน 30,000 มมบาทเพื่อเอาไปทำบุญและบอกคุณแม่ว่าท่านจะจากไปแล้ว คุณแม่ได้บอกให้นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์เอาไว้แล้วด้ส่งคุณพ่อไปโรงพยาบาลท่านเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วยิ้มนิดๆหน้าตาก็สดใสเบิกบานไม่มีทีท่าเหนื่อยหอบหรือทรมานขณะอยู่บนรถน้องชายก็เตือนให้พอ่อนึกถึงบุญอยู่ตลอดเวลาจนถึงหน้าโรงพยาบาลกสิ้นใยอย่างสง บ, บก่อนถึงมือหมอด้เวลาตีสองตีหนึ่ง ปลุกแม่มาเอาเงินสามหมื่นบาทให้อาไรปทำบุญแล้วบอกว่าจะจากไปตีสองจากไปห่าง ก, กันแค่หนึ่งชั่วโม ง, โมงก่อนจากเงยหน้าม อ, มองท้องฟ้าและยิ้มนิดๆได้ความเบิกบานเราจะเห็นว่าเริ่มต้นของชีวิตท่านทั้งดื่มและทั้งต้มเล่าเทือนขายแต่ได้ลูกมาเป็นกระดยาณมิตร ทำให้ท่านเลิกดื่มเหล้าและเลิกต้มเหล้าเถื่อนขายหลังจากนั้นก็มาทำบุญทุกๆบุญเรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนหนึ่งชั่วโมงได้ของเงินสามหมื่นบาทจากคุณแม่เอาไปทำบุญบหลังจากนั้นก็เงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วยิ้มนิดๆเรามาดูคติขุงท่านเลยดีกว่าเพราะท่านละโลกตอนทีสอง ท่านก็ไปดาวดึงเลยโอาุชีวิตของท่านเหมือนต้นไม้คือต้นมันคดแต่ตรงปลายมันตรงแม้เริ่มต้นชีวิตที่ไม่สวยงามแต่ตอนปลายชีวิตได้ทาบุเลเรื่อยมาและก่อนตายได้เงยหน้าไปบนท้องฟ้าและยิม้มเพราะเห็นคตินิมิตตัวเองอคือเห็นบริวารตัวเองมายืนรอเต็มไปหมดเลย ก, ก็รู้ว่าตัวเองจะต้องตาย บุญช่วงสุดท้ายเนี่ยได้ชิงช่วงพาไปสู่สุคติก่อนเพราะท่านมีปิติในบุญช่วงสุดท้ายมากรกรรมดึงสุราในปัจจุบันและนิสัยขี้มโมโหเนี่ยจึงยังไม่ได้ให้ผลในตอนนี้แต่บาปกรรมจะไ่ได้หายไปนะถ้าประมาทเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะหล่นจากดาวดึงวูปไปขุมห้า ถ้าจะให้พ้นแล้วก็ตอนอยู่ดาวดึงจะไปเพลินมากๆให้ปฏิบัติธรรมะด้วย ค, คือเพลินแล้วก็เพลินไปทากิจของเทวดาแล้วก็ทำไปแต่ว่าการปฏิบัติธรรมขาดไม่ได้เป็นเทวดาก็ต้องปฏิบททัติธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วบุญจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวถึงธรรมการได้แหละจะอุ้มเอาไว้ไม่ให้ไปมหารก<อ>ธรรมเกิดก็จะเจอในสิ่งที่ดี บุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้เนี่ยตอนนี้ท่านได้รับหมดทุกๆบุญตอนนี้เราแยกออกไม่จช่ว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปซึ่งชิงช่วงและช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้บุญชิงช่วงไปก่อนบาปจึงยังช่วงชิงมาไม่ได้แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าบาปอาจจะช่วงชิงมาตอนไหนเมื่อจังหวะมันให้ผลแม้เป็นชาวสวรรค์ก็ตามเพราะมีชาวสวรรค์จํานวนมากที่ ตกสวรรค์ไปมหานรกอ <Okay. S 2> แล้วมหานรกขุมห้าเนี่ยมันยาวนาน <Okay. S 2> เราก็ได้เรียนรู้กัมนมาโดยตลอดเลย